เมื่อท่านเหล่านั้นสนทนากันอยู่อย่างนี้พระอาทิตย์อสดงคตลำดับนั้นพระราชาทรงดาริว่าถ้าเรานำารือสีทั้งสองผู้ตามืดไปในสานักของสุวรรณสามในบัดนี้ทีเดียวถ้าไทยของฤรืสีทั้งสองจกแตกเพราะเห็นสุวรรณสามนั้นเราก็ชื่อว่านอนอยู่ในนรกในการที่ท่านทั้งสามทำการลกิริยาด้วยประการชนิด เพราะฉะนั้นเราจักไม่ให้รือสีทั้งสองนั้นไปทรงดำริชนีแล้วจึงตรัสคาถาสีคาถาว่าสามะกุมารถูกฆ่านอนอยู่ที่ป่าใดจุดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ตกลงเหนือแผ่นดินแล้วเกลือเปื้อนด้วยฝุ่นทรายป่านั้นเป็นป่าใหญ่เกลื่อนกลนด้วยสัตว์ ร, ร้ายปรากฏเหมือนที่สุดอากาศผู้เป็นเจ้าทั้งสองจงอยู่ในอาสมนี้แหละ บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าใหญ่พระหาได้แก่สูงยิ่งคำว่าที่สุดอากาศอากาสันตังความว่าปานั่นแหละเห็นกันทั่วคือรู้กันทั่วเป็นราวกั ว, ว่าที่สุดแห่งอากาศอีกอย่างหนึ่งคำว่าอากาสันตังความว่าทำให้เป็นรอยอยู่คือเด่นอยู่คำว่าเนือแผ่นดิน ชะได้แก่บนแผ่นดินคือปัตถีปาถวว่าชะมังดังนี้ก็มีความว่าเหมือนล้มลงบนแผ่นดินคำว่าเกลือกเปื้อนปริกุลติโตความว่าเปรอะเปื้อนคือพัวพันลำดับนั้นฤาษีทั้งสองได้กล่าวคาถาเพื่อจะแสดงว่าตนไม่กลัวสัตว์ร้ายทั้งหลายว่า ถ้าในป่านั้นมีสัตว์ ร, ร้ายตั้งร้อยตั้งพันและตั้งหมื่นอัตมภาพทั้งสองก็ไม่มีความกลัวในสัตว์ ร, ร้ายทั้งหลายในป่าไหนาๆเลยบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไหนๆโกจิความว่าในป่านี้แม้เป็นประเทศแห่งหนึ่งในที่ไหนๆอัตมภาพทั้งสองก็ไม่มีความกลัวในสัตว์ ร, ร้ายทั้งหลายลำดับนั้น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 บรรดาคําเหล่านั้นคําว่าในการนั้นตะโตได้แก่ในสมัยนั้นคําว่าผู้ตาบอดอันทานังได้แก่ฤาษีทั้งสองผู้ตามืดคําว่าอะหุแปลว่าได้เป็นแล้วคําว่าในที่ใดยัตถความว่า พระเจ้ากาสีทรงนำฤาษีทั้งสองไปในที่ที่สุวรรณสามนอนอยู่ก็แลครั้นทรงนำไปแล้วประทับยืนในที่ใกล้สุวรรณสามแล้วตรัสว่านี้บุตรของผู้เป็นเจ้าทั้งสองลำดับนั้นฤาษีผู้เป็นบิดาของพระโพธิสัตว์ซ้อนเสียนขึ้นวางไว้บนตักฤาษีนีผู้เป็นมารดาก็ยกเท้าขึ้นวางไว้บนตักของตน นั่งบนรำพันอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจินตรัสว่าดาบดดาบศนีทั้งสองเห็นสามกุมารผู้เป็นบุตรนอนเกลือกเปื้อนฝุ่นทรายถูกทิ้งไว้ในป่าใหญ่ดุดดวงจันทร์หรือดวงอาทิตย์ตกเหนือแผ่นดินก็คร่ำครวญ น, น่าสงสารประคองแขนทั้งสองร้องไห้ว่า สภาพไม่ยุติธรรมมาเป็นไปในโลกนี้พ่อสามะผู้งามน้าดูพ่อมาหลับเอาจริงๆเคลือบเคลิ้มเอามากมายดังคนดื่มสุราเข้มขัดเครื่องใครเอาใหญ่ถือตัวมิใช่น้อยมีใจงองแงในเมื่อการล่วงไปอย่างนี้ในวันนี้พ่อไม่พูดไรไรบ้างเลย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 ใครเล่าจากให้เราทั้งสองได้บริโภคมูลพลาหารในป่าลูกสามะนี้เป็นผู้ปฏบิบัติบำรุงเราทั้งสองผู้ตาบอดมาทำกาลกิริยาเสียแล้วบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าถูกทิ้งไว้อปวิทธังความว่าทิ้งไว้อย่างไร้ประโยชน์ข้อว่าสภาพไม่ยุติธรรมมาเป็นไป อะมโมกิระโพอิติความว่าได้ยินว่าความอายุติธรรมกำลังเป็นไปในโลกนี้ในวันนี้คำ ว, ว่าเคลือบเคลิ้มมัตโตความว่ามัวเมาคือถึงความประมาทดุดดื่มสุราเข้มคำ ว, ว่าถือตัวทิดโตได้แก่วางปึงคำ ว, ว่ามีใจงองแงวิมโน ความว่าเป็นนักเลงหรือสีทั้งสองพูดบนเพอทั่วๆไปคำว่าชดาชดังได้แก่ชดาของเราทั้งสองที่มัวหมองคำว่าอันมนหมองเปื้อนฝุ่นละอองมะลินังปังสุขตังความว่าจากอากูลมนทินจับในเวลาใดคำว่าบัดนี้ใครเล่าโกธานิ ความว่าบัดนี้ใครเล่าจกจัดตั้งชดานั้นให้ตรงคือทำความสะอาดแล้วทำให้ตรงในเวลานั้นลำดับนั้นฤสินีผู้มารดาแห่งพระโพธิสัตว์เมื่อบนเพอเป็นหนักหนาก็เอามืออังที่อกพระโพธิสัตว์พิจารณาความอบอุ่นคิดว่าความอบอุ่นของบุตรเรายังเป็นไปอยู่บุตรเราจาสลบด้วยกาลังยาพิษ เราจะ ก, กระทาสัจจกิริยาแก่บุตรเราเพื่อถอนพิษออกเสียคิดชนี้แล้วได้กระทาสัจจกิริยาพระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความข้อนั้นจินตรัสว่ามารดาผู้ระทมจิตด้วยความโศกถึงบุตรได้เห็นสามะผู้เป็นบุตรนอนเกลือกเปื้อนด้วยฝุ่นทรายได้กล่าวคำสัตว์ว่า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 บุญอย่างใดอย่างหนึ่งที่ลูกสามะกระทำแล้วแก่เราและแก่บิดาของเธอมีอยู่ด้วยอนุภาพกุศลบุญนั้นทั้งหมดขอพิษของลูกสามะจงหายไปบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าโดยความจริงใดเยนะสัจเจนะได้แก่ด้วยความจริงใดคือด้วยสภาวะใดคําว่าเป็นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเป็นปกติ ธรรมจารีได้แก่ผู้ประพฤติ ธ, ธรรมคือกุศลกรรมบทสิบคำว่าเป็นผู้กล่าวคำจริงสัจจะวาทีความว่าไม่กล่าวมุสาวาทแม้เพื่อการหัวเราะคำว่าเป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดามาตาเปติพระโรความว่าเป็นผู้ไม่เกียจคร้านเลี้ยงดูมารดาบิดาตลอดคืนวัน คำว่าเป็นผู้ประพฤตยำเกรงต่อท่านผู้เจริญในสกุลกุเลเชิฐาปจายโกความว่าเป็นผู้กระทาศักกระแกบิดาเป็นต้นผู้เจริญที่สุดเมื่อมารดาทาสัจกิริยาด้วยเจ็ดคาถาอย่างนี้สามะกุมารก็พลิกตัวกลับนอนต่อไป